Book 2 6หกสิสามการตั้งคำถามสองคลอสเมดดดิฉันมีงานอดิเรกอสตรฮอบบี้ดิฉันเล่นเทนนิส สนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะคุรีรทนนอเติคุณมีงานอดิเรกไหมอาอบบีิฉันเล่นฟุตบออาร u ฟบลสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ คุรีราฟุโบโลไอคตดิฉันเจ็บแขนมันสกรัค่ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วยเตปัตมันสโคยเอร์เดลนมีคุณหมออยู่ไหมคะคุรีรากีดิโยสดิฉันมีรถ ตูตดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วยอตยออตลาดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะครีตมอ่งดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์อตม็กียดิฉันมีเสื้อแจ็กเก็ตและกางเกงยียนด้วย อสต a ปัตุรุสวาร์คัลจินส์ส์เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะคูริรัสเกลเบโมมาชนาดิฉันมีจานอสตูรุเล็กเดาดิฉันมีมีดซอมและช้อนอสตูเปล p ช l ก š a เ u อ ę ir ช a u k š ต ą เกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะครีรดรสคริปปร